เคยมีคนถามหลวงพ่อชานะสุพัฒโทวันหนองประพงศ์กถามว่าเนี่ยได้ข่าวว่าหลวงพ่อเป็นพระอรหันต์ก็เลยอยากจะรู้ว่าพระอรหันต์นี่เหาะได้บินได้หรือเปล่านะอือพวกเราอยากรู้ปะหลวงพ่อตอบว่า เรื่องหอ่อเรื่องบินนี่มันมันสำคัญที่ไหนนะแม้แต่แมงกุดจีมก็บินได้น ะ, ะไม่ต้องเป็นพระอรหันต์หรอกนะแค่แมงกุดจีอยากบินก็ไปเป็นแมงกุดจีนะ้อะไม่ต้องเป็นคนนะอีกคนนึงก็เป็นครูนะก็ไปถามัมชาก็เรื่อง ห, อห่อเฮินเดินอากาศได้นี่แหละนะ ตัวักไซวันเนี่ยพระในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระอราหาันต์ท่านได้ข่าวว่าห่อเหินเดินอากาศได้จริงไหมนะทําได้ยังไงหลวงพ่อ้าก็บอกว่าอย่าไปสนใจเรื่องไกลตัวเลยนะสนใจเรื่องเสี้ยนที่ตามฝ่าเท้าเราดีกว่านะอันนี้น่าสนใจนะให้เรื่องใกล้ตัวเนี่ยเรื่องมีเสี้ยนตำเท้าเนี่ มันเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราอยู่ทุกขณะอยู่แล้วนะอาจจะไม่ได้ตำเท้าแต่มันตำใจนะแล้ก็ตำอยู่เรื่อยไปนะแทนที่จะสนใจว่าทำยัง ไ, ไงจะเอาเสี้ยนออกจากเท้าหรือเอาทุกข์ออกจากใจกลับไปสนใจเรื่องออกเฮินเดินอากาศนะเรื่องไกลตัวแล้วคนก็ไปสนใจเรื่องพนุนิมากนะเรื่องอิทธิปาฏิหาร บางทีก็ไม่ได้แค่สนใจแต่หวังพึ่งพาอาศัยนะคิดว่าจะปกป้องอันตรายได้ก็หวังว่าแต่ว่าสิ่งเนี้นะจะหาสิ่งที่เป็นวัตถุมงคลมาช่วยปกปักรักษาให้ปลอดภัยก็ไม่ได้คิดถึงอย่างอื่นเลยมีหนุ่มคนหนึ่งเนะี่ยมากลาบหลวงพ่อแล้วบอกว่าจะไปเกณฑ์ทหารนะอยากได้พระเครื่องดีๆสักหน่อยนะ เอาไปติดตัวจะได้ปลอดภัยหลวงพ่อบอกได้นะแล้วก็ชี้ไปที่พระประธานเนะี่ยแบกไปเลยนะเวลามียิงกันก็เอาแบกไปด้วยนะคือหลวงพ่อท่านไม่ได้ทําเรื่องพวกนี้อยู่ละวนะถ้าดีอยากได้พระก็เอาไปเลยนะพระเครื่องเอพระที่เป็นพระประธาน มียอีคนหนึ่งเล่าว่าแม่ไปเล่าไปหาหลวงพ่อแล้วก็ถามหลวงพ่อว่ามีามีน้ำมนต์ที่จะเป่าที่ช่วยทําให้หายเจ็บหายปวดได้ไหมหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยไม่มีหรอกนะแต่ถ้ามีก็เอามาด้วยนะพ่อหลวงพ่อก็ปวดเท้าเหมือนกันนะมาช่วยเป่าให้หลวงพ่อบ้างคือหลวงพ่อท่าน นอกจากจะไม่อวดนะความพิเศษมหาศจรรย์อวดว่ามาีความสามารถที่จะทําสิ่งแปลกแปลกได้ที่เรียกอิทธิฤทธิ ป, ปฏิหารเนี่ยท่านก็ยังพยายามให้คนหันมาสนใจเรื่องใกล้ตัวสิ่งที่ใกล้ตัวคนเราคือความทุกข์นั่นแหละเราทุกคนมีความทุกข์อยู่ทั้งนั้น ทุกกายไม่เท่าไหร่ทุกใจเนี่ยนะสำคัญกว่าทุกกายเดี๋ยวนี้ก็มียารักษาบรรเทาเบาบางได้ร้อนก็มีพัดลมมีเครื่องปรับอากาศเ <c oughs> <c oughs> จ็บก็มียาบรรเทาปวดนะแต่ว่าความทุกข์ใจนี่มันเป็นของที่เกิดขึ้นกับผู้คนนะไม่ว่ารวยหรือจนนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยคิดจะหาทาง เยียวยารักษาเท่าไหรนะ่ไปสนใจเรื่องที่ไกลตัวเพราะว่ามันน่าสนใจอยากรู้นะอีกที่ปฏิหารเอ่เอเดินอากาศดำดินบินบนได้แล้วก็สนใจไปสนใจมาก็ไปหวังพึ่งนะหวังพึ่งว่ามันจะช่วยทำให้หายทุกข์ได้มีฤทธิ์แค่ไหนก็ไม่ทำให้หายทุกข์นะแต่ใดที่ยังมีกิเลสอยู่ และฤทมันก็ไม่ได้ช่วยทําให้กิเลนลดน้อยถอยลงนะอาจจะทำให้มากขึ้นก็ได้อย่างพระเทวทัตเนี่ยนะก็มีอิทธิปฏิหารนะมีอภิน ญ, ญาสามารถทําให้พระเจ้ า, าชาติศัตรูเกิดศรัทธาได้แต่หลังพระเทวทัต น, นี่ก็ชวนพระอาชาตัตรูเนี่ยยึดอานาจจากพระเจ้าพิมพิสารนะซึ่งเป็นพ่อ แทนที่จะชวนให้ทำดีกับ <c oughs> กับช่างนำให้ทำชั่วนะในรลกคุณพ่อจับพ่อไปขังนะพ่อขังพ่อก็ไม่ได้ทุกข์อะไรนะพระเจ้ามิวิบาตเนี่ยเพราะว่าเป็นพระโสดาบันแล้วคุกเนี่ยมันขังได้แต่กายแต่ใจท่านเป็นปกติอยู่ในคุกก็เดินจงกรม ลูกนี่ไม่พอใจนะไอพ่อสบายไปนะเดินจงกรมนะอยากจะเห็นพ่อลำบากอยากจะเห็นพ่อทุกทรมาย ก, ก็เลยเอามีดกรีดเท้าพ่อนะจะได้เดินจงกรมไม่ได้นี่คิดร้ายกับพ่อขนาดนี้นะตอนหลังก็ไม่ให้พ่อกินอาหาร แม่ก็เวลาไปเยี่ยมพ่อก็เอาอาหารติดตัวไปด้วยซ่อนไว้ในเสื้อผ้าลูกเผือชาติศัตรูก็ให้ค้นตัวแม่ไม่ให้มีอาหารซุกซ่อนอยากจะให้พ่อก็ค่อยตายตายเพราะขาดอาหารอันนี้บาปมากเลยนะอันนี้ก็พรฝีมือการชักนาของพระเทวทัตนะแล้วตอนหลังพระเทวทัตก็ไม่ได้ตายดีนะ ก็ถูกธรณีสูบนะเพราะว่าคิดร้ายต่อพระพุทธเจ้าพระเทวทัตเนี่มีอิทธิปฏิหาริย์นะมีความสา ม, มารถเหนือมนุษย์นะแต่ว่าไม่ได้ช่วยให้กิเลสลดลงก็เลยนะทำสิ่งที่เลวร้ายแต่ก่อนที่จะทำสิ่งที่เลวร้ายกับคนอื่นนะ้วก็ทำร้ายตัวเองไปแล้วนะสร้างบาปให้กับตัวเอง ครูเจ้าตัดว่าคนชั่วเนี่ยยอมทําร้ายตัวเองก่อนที่จะไปทําร้ายคนอื่นนะไม่ต้องคนชั่วก็ได้นะคนที่เผลอตัวลืมตัวเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้ความโกรธนะเข้ามาคล่อมกําใจเนี่ยก่อนที่เขาจะดา่าคนนั่นคนนี้ให้เจ็บปวดเนี่ยเขาเองอะ่ะเจ็บปวดล้วเจ็บปวดก่อนแล้วเจ็บปวดเพราะความโกรธนะความโกรธมันเผาใจเขา แล้วยิ่งมีความแค้นความพยาบาท น, นี่ถึงแม้จะไปแช่งชักหักกระดูกใครก็ไม่มีความหมายนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นทุกขนะ์เสแล้วนะไอ้ความทุกข์อย่างเนี้เป็นของจริงนะเป็นของจริงไม่ว่าจะเป็นพระราชามหากษัตริย์จนถึงยาจกเข็นใจนะก็มีความทุกข์อย่างนี้ทั้งนั้นแหละไม่ได้ที่ว่ามีเงินแค่ไหนนะเมื่อวานนี้ก็เล่าไปแล้วนะ ว่าทำไมคนรวยถึงมีความทุกข์นะทำไมเศรษฐีเงินล้านถึงมีความทุกข์นะจะไว้ใจใครก็ไม่ได้เพราะว่าไม่รั่วเข้ามาประจบประแจงสอพหอรือเปล่าแต่ขณะเดียวกันนอกจากคนมาประจบสอพอก็ยังมีคนอิจฉาคนมุ่งร้ายคิดหาประโยชน์โชว์โอกาสก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายค่าชดเชย มีคนต้องจะเอาเปรียบต้องจะเล่นงานตลอดเวลาหรือไม่ก็ต้องจะด่าพระอิจฉาแล้วก็ยังทุกข์เพราะว่าเห็นคนหนึ่งเขารวยกว่าก็อยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างเห็นคนหนึ่งเขาใช้ของราคาแพงกว่าเรามีเราใช้นาฬิกาเรือนละห้าแสนแต่ว่าเห็นคนอื่นเขาใช้เรือนใช้นาฬิกาเรือนละสองล้าน หรือห้าล้านอยากได้บ้างนะไอ้ที่มีอยู่ห้าแสนเนี่ยนาฬิกาเรือนหนึ่งนี่มันกลายเป็นสิ่งที่น่าอับอายไปแล้วอยากจะได้นาฬิกาห้าล้านเนี่ยก็ต้องไปดิ้นรนขนขวายมาไม่มีความสุขสักทีรู้สึกพร่องตลอดเวลานะคนที่มีอิทธิปฏิหารนะหรือว่าร่ำรวยมั่งมีมียศศักดิ์อำนาจ พวกนี้เนี่ยมันก็ยังมีความทุกข์อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปอย่าไปคิดตะเกียกตะกายหามาเลยนะสนใจแต่ว่าเออจะทําความทุกข์ให้หมดไปได้อย่างไรอันนี้เนี่ยมันก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกนะทําตามคำสองของพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกไว้แล้วว่าเนี่ยอย่าไปเอาภูเขาป่าไม้นะเจดีเป็นสารณะนะ เอาพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสารณะและเป็นสารณะนี่ไม่ได้ไหมายความว่ากราบไหว้บูชานะแต่ว่าต้องน้อมเข้ามาใส่ตัวประพฤติปฏิบัติให้พระพุทธธรรมประสงค์เกิดขึ้นในใจของเจ้าของนะอันนี้แหละถึงจะช่วยทําให้พ้นทุกข์ได้เนี่ยเรื่องอิทิจฉาทําให้เสกโน่นเสกนี่เนี่ยก็เหมือนกันนะ มันก็ไม่ได้ทำให้ความทุกข์ของคนเราน้อยลงเลยกลับทำให้ความทุกข์มากขึ้นเพราะว่าเกิดความหลงตัวลืมตนนะเกิดมานะเกิดตัณหาเกิดทิฐิมากขึ้นอนะ่พระเทวราก็เป็นตัวอย่างนะพอบีลิตมาแล้วเนี่ยก็เกิดความหลงตัวลืมตนอยากจะเป็นใหญ่แทนพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าไม่ยอมเปิดทางให้ก็หาทางคิดลายทาลายนะก็เรียกว่าทาอนันตริยกรรมเลยนะ ก็ต้องตกนรกไปนี่หลายหลายหลายภพหลายชาติทีเดียวเนีกลายเป็นว่าอิทธิฤทธิ์ที่มีนี่มันก็ชักนําให้ทําในสิ่งที่เป็นความเสื่อมเป็นอบายนั้นหันมาทําเรื่องที่ใกล้ตัวดีกว่าหันมาสนใจเรื่องใกล้ตัวเนี่ยก็คือเรื่องของความทุกข์ในใจเรานี่แหละทํายังไงจะให้ใจเรามันปล่อยวางความทุกข์ที่แบกเอาไวน้นรู้หรือเปล่าว่าที่ทุกข์เนี่ยพระแบกนะ ไม่ใช่เพราะคนอื่นนะไม่ใช่เพราะคนอื่นทําให้นะแต่เป็นเพราะใจที่มันแบกมันยึดมไม่จไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จั ก, กวางใจที่ชอบคิดลบคิดร้ายนะใจที่ชอบอิจฉาพยาบาทนะเป็นใจที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝนนะให้อ่อนโยนให้นุ่มนวล น, นะอันนี้มันทําง่ายนะดีกว่าไปเสียเวลาบาเพ็ญ บรรเป็นทางจิตเพื่อให้มีฤทธิ์นะให้มีอิทธิปฏิหารไอการหอ่อเคลือนเดอากาศได้นี่เดี๋ยวนี้มันง่ายมากแล้วไม่ต้องบินหรอกนะนั่งเครื่องบินก็ได้สมัยพุทธกาลเนี่ยมันมีมีฤาษีคนหนึ่งอวดคุยโม้ว่าเนี่ยสามารถที่จะหอ่อนะข้ามข้ามฟากได้นะจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งนึงก็ห่อเอาพระเจ้าบอกว่ามัน ทำไมต้องทำให้มันยุ่งยากด้วยนะก็แค่จ้างคนพายเรือข้ามฟากแค่นี้ก็จบละนะไม่ต้องไปเสียเวลาเป็นปีๆนะเพื่อที่จะฝึกให้ห่อเหินื่นอากาศได้นะแค่มีเรือสักลำหรือว่ามีเงินสักแค่ห้าสิบตังค์นี่กนะ็สามารถจะพายเรือข้ามฟากหรือจ้างคนข้ามฟากได้ลนะเอาเวลาที่มีอยู่นะ มาใช้เพื่อการดับทุกข์ในใจดีกว่าดีกว่าทำอะไรที่มันประหลาดมหัศจรรย์อะไรได้แล้ว เ, เราก็เตรียมรับพรด้วย